พระธรรมเตสนาหมหสถ จ, จาดกจอมปราแทงมิทิลาภูกติสาหกฟังแล้วเกิดพญาปัญญาปงางึฉลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยป่ออินสมชัยชมพูปเปรียนทรมมกประโยคนักทำเอกอดีตเจ้าคณะ จ, จังหวัดเชียงหา้นะโม ตาซาภะกวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะสาสะทุทีสัมปติจิตวะดิเวสังอากรมมสิติ สาโุดุราสะปุริาตั้งลาลตั้งนิงใจหนุ่มเทาอันมานั่งเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาสาสาธุติสัมปติจิตวาดังนี้เป็นต้นบัตินีดเดต ปาปริปจิกาอันวานางปริปจิกาผู้เทาก็รับคำเจ้าว่าดีๆกันนอมูนีก็ภากออกไปจากสานาน ก, ก็ไกกะรีภาวไปสู่ดาวหอใจขันิ่งในติดต่อ จักถามข้อปัญหาส่งพัญญาเป็นเจ้าเฮ่หูก้าความไหนจริงจะใคเกท้อยว่าดูรตาอยอดซอยปา ร, ราข้าผาตาดนาถามเต้าตนภาพดาวหอกคำหากเป็นรรมลับดีบอกวรจีจะใครเฮอคนใดได้รู้กวรเก่าสองคน คือว่าตนเจ้าฟ้ากับตัวคาดีลเตาจุลดีที่ราชก็หืออามาตกันยามีนำนามวลหมู่หือปอกติโยภัยมันในโรงกันใหญ่กว้างมีแต่เจ้าจ้างราชากับปริปาจิกาผู้เท่า สองคนเล่าจอมกันเจ้าหอจันจุนลนีรา จ, จิงโอกาใไรจาว่าจักทำปัญหาสั่งเล่าขอแม่เจ้าเร็วไวรีบจากใครต้านกล่าวบอกยังข่าวปัญหากันค่านีนะหากรู้จักเกา่าตามทำดังกอใครกำทำเล่าว่าดูระเตา้าเป็นเจ้าแก่รีบปน คนเจ็ดคนดาวไขคือตนตาไทยจุลานีนางชาลากะเตวีผู้แม่นางงามแงนันตาอักะจานาดอนเนานนองแห่งเจ้าจือติกกานามันตีตั้งสาหายดีขามใจคือหากใดธนูเสขะกุมารตั้งเกวัดอาจันผู้เท่า กับมโหสดเจ้าเสนาบดีเจ็ดคนมีมาไขขี้เหื่อใหญ่จอมกันเหื่อ้อยปันไว้ว่องตัวตามต้องวังทาน <c oughs> บ่ปอนานจะรำมีผีเสือน้ำพดมากำนาวาริพาวแล้วต้านเกาจากใครว่ากันเจ้าห่อใจใขรภาค เื่อป้อนจากต่างตายจุงหฮ่อยิงใจแก่ข้าพ้อมทวนดาหกคนจักปล่อยตนตันเต้าหฮอปอกดาวปารากันมันจะดดังนี้ข้าไขาหูทีหันใสว่าเต้าจักปันภัยนั้นเล่าเป็นคนเก่าหัวตี เจ้าปุริทิราชก่อโอกาสใครจาว่าจักฮือมันดาแม่เจ้าเป็นคนเก่าหัวตีจักฮือเตวีน่อยนอสืบติดต่อเป็นสองแล้วทรีปองบอดจ่าฮือน้องแห่งขาตวยไปสะหายเตรียมใจยศใหญ่หูแจง้งไขสัพการ เหวตุอาจารย์ทวนหาส่วนตัวแห่งขาราชาบอกกลัวมารณาะกักากาจะรีบเข้าปากตัวมันข้าบ่ปั่นเป็นขาดยังบะโหสดนักผาดดีดีข้ายินดีหมุบหมู่ฮือมโหสดอยู่นานไป กันเจ้าหอจใจที่ราชเก่าเสียงขาดสุดปลายนางก็หมายหูใดว่าตนเตา้าไทยราชามีปิญารักอดยังเจ้ายอดบุญมีคือมะหอดเศนาบอดีหนุ่มนาวยิ่งกว่าตัวเก่านำนานางก็จะทำเล่าว่าพระแม่เจ้าเทวีคุณหากมีมากกวาง <c oughs> เลี้ยงเจ้าจ้างเบิ่นมายามเด็กขาอ่อนน้อยบ่ฮือกาดก้อยว่ำวายชาวพีพระมไม่จักคาฮือความนาเป็นพีแม่ก็ฮื อ, อนีลีซนไปอยู่บนไก่ตาลหลว่าสาควบเขาเมื่อชาวพีพ ร, ม า, า, พรามบาปเศร้าว่ำวายจิงได้ผันภายปิกปอกวายนาออกขึ้นมา เป็นพาญาเจ้าจ้างภาพเมืองกวางเซเยซีแม่เทวีเป็นเจ้าคุณมาเต้านำนาสันได้จาต้าไทายจะคือผีเสื้อใหญ่เอากินหรือพระภูมิ้นหันตอดอันไร้โหดสังจ้าจุงไขจากาอูฮหือได้หูตามมีแดเตอ ทีนี่จากวันนาดาจะเล่าถึงเรื่องเก่าเดิมมาพ่อพญ า, านันไซชื่อว่าตาไทมหาจุล น, นีนางชาลากาเตวีผู้แม่ตันหาแผ่ภายในย้อนมีใจรักขอดอยังพรามยอดกิ่งงามจือชาปีพราหนุ่มเนา ใครเหอเป็นเก้าประราจิงเอายาปิดญ่ผสมใสอาหารท่าวายเต้าผู้บ้านจุลนิราชปิดยาอาจเลือลายเต้าก็ตายผ่าขางละเมืองกว้างทานีละชาลาะกะเตวีดอกาและลูกเต้าบุตรตากันกาละมารอดไข ว, วันจกใหญ่ดีงาม ก็ยกชับปีพรมดุมดาขึ้นเป็นเจ้าปุรีนางก็เป็นเตวีรวมซ้อนอยู่ในบนหอใจ <c oughs> ยังมีในวันหนึ่งเล่าใจลูกเต้าจือจุลานีก็ไขว่าตีบอกแม่ว่าฮอนนักแก่เลือกการอยากของหวานลูกไม้ขอแม่ไทยว่างปั่น แม่จอมขวัญยอดซอยก็ยืนน้ำอ้อยปันไปลูกเตรียมใจบอจ้านั่งกลางควงยาคบกินแมงวันบินมาไกลเข้าตอมไตกาญาเจ้าบุญนาอ่อนน้อยกอบิดน้ำอ้อยเร็วไวแลอกสัตไปบอจ้ากลางย่อมยาแดนไก่แมงวันไปตั้งหมู่เข้าตอมอยู่สะสน บ่อบิ น, นบนมาไกลตอมเจ้าน่อไทยคิงรามชับปีพรามสั้นพอหันแจ้งต่อสายตาว่าเด็กดีดายังน้อยพัานยาป้อยบีลาย มันอูบใบคาปลาบอกฮือแมงวันใดมาีกันหลายปีปลายนามันใหญ่ากาเติงตันเตียงจากฟันฟักฟาดหือกูความขาดเป็นผี หรือ่อกูนีภากดาวบอกเฮเป็นเต้าอหอจันกวนนำปันกวนนำมันไปขางือความนามรารณามันก็จะบอกเราแกแม่เจ้าชะลากาเตวีนั้งไขวาตีตอบถอยว่ายาต่ำก้อยเครื่องกาสามีากาฝัวเก่ากุนบากเต้าเหลือลาย ข่ายังอุบายข้าใดสมมักไฟข้านิ้งใดลูกสายใจน้อยอ่อนคุณบ่่อนหันมีจักบุปตีฟัน่าดือจีวิตขาดมัมวายดูยากหลายแต่ใสอเยี่ยวบดด่ใดดีลีบ่อกควรดีจักคาฮหือไพ่ฟาเล้งหันเขาจักปะกันเล่าเศ้าไปไข่ดาวเวียงใจ กวนอดใจอยู่ท่าฮือเนินจ้าเมือนานกันจากขานเมียนจอดนางแม่ยอดชาลากาเทวีก็ฮือตาสีกวนใจเรียกบอขวัญใหญ่มาปั่นแล้วไข่ปั่นเสียงควายฮือมันได้ครับตามว่าชับปีพรำแบบเ้จาจักข้าลูกเต่าตนกู มึงจุงอินดูจวยกำฮือหลวงลำอ้นตาายมึงมีลูกใจผู้หนึ่งใสเกิดพร้อมไขยามวันจุงเอามันมาอยู่เล่นเป็นกูสะหายเล่นพันภายเตี้ยวต้องอยู่ในห้องหอจันสองสามวันไปนาแกวเอาสองขากวาภายพันคือจวนกันไปสู่ ยังตีอยู่โรงคัวฮือหาลุว่าไม่แห้งมาใส่แทงทมนาเอาดูกแปะมาสุกซ่อนไว้ใต้บ่นภายในยามเจ้าเวียงใจมวนหมูพงลับอยู่นอนดีนํำมันมีหดใส่เผาเสียงไข่บัดเดียวแล้วรีบเรียวดีกว่าพอมทวนนาสามคน ไปอยู่หนต่างดาวแดนเขตเต้าไก่ตากันภัยจาทำข่าวอย่าได้ก่าวตามมีว่าจุลนีนอนเน่าเป็นลูกเจ้าปารา มึงจุงจาบอกเล่าว่าเป็นลูกเต่าในตัวส่วนป่อขัวผู้ใหญ่ก็รับได้บาดเดียวนางก็เร็ยวบ่จ้ายืนเครื่องงาอลังการทั้งเงินคำคานบาดไตคือป่อขั้วใหญ่นำนาป่อขั้วลารี่พาไปสู่ดาวเฮือนมันแล้วเร็วปันฝังเฝ้า เงียตามนางเต้าไข่ปั่นกันถึงวันบารอดป่อัวายอดเตรียมใจก่อเอาไฟที่ใส่เผาโรงัวามัยบัดเดียว <c oughs> แล้วรีบเรียวนีกว่าเอาไปนาเป็นไมายก็พันภายไปรอ ด, <c oughs> รอดเมืองแก้วยอดสากาละนก้อนแห่งเต้าผู้ทรมัตตราตรีบขึ้นภาษาทผางกา แล้วทุนสากมเกาว่าคาแดเต้าเจ้าเดื อ, เอหัวคาเป็นปอกขัวผู้ใหญ่จบแจงไขอาหารตั้งของวานหลายสิ่งรสานิ่งนานาต้าปาราธิราชเจ้าภาศาสหอดใจฟังมันไขที่บอกก็เอาปอกขัวเก่าออกสับปันเอาตัวมันแตนใส่เป็นปอกขัวใหญ่เตียมอง ย้อนพระทรงไขหูว่ากำบันอวไข่าจามีแต่ก้าเป็นแกนหรือบ่แม่นสันได้นเรเวไวแต่งไว้ตามดังไ ด, งดงกะตัมมา <c oughs> คือแต่งโัจนะน่าหลายสิ่งรสนิ่งเอาใจเจ้าหอใจสเสวยแล้วใจพ่องแผวเจบาน ปั่นนาการไลยแลยืนปั่นแก่ตัวมันก็มีหันแหละนะาตเวปิกุมมาราส่วนสองกุ่มมานหน่นอนเดาคือลูกปอกควาเก้าจือธานเสคขงกุ่มมานกับลูกผู้บ้านยอดซอยคือเจ้านาต้อยจุลณี เป็นสหายดีกูเล่นบอ่อได้เว้นเสียกันจับลางวันนั่นเล่าต้วยป่อเจ้าสหายได้ผันภายใหญ่าบาดขึ้นภาษา์พังกาเจ้าป่าระหันแล้วบอ่อกาดแก้วสงสัยจริงจะใครทำเล่าว่าเด็กหน่อเน่าสองขาเป็นบุตรธาอามาต เรือไผ่ราดคนได้ปอคัวไว้ตอบท้อยว่าเป็นลูกข้าน้อยตั้งสองเต้าก่นลองถามต่อว่ากู้สั้นพอบอเ่เหมือนกัน ตั้งผิวพัน์แผกกบ า, การไตเตาไปมาลักคานาต่างๆพอแล้วห่างไกลกันพอคั้วปันไข่ปันก่าวแก้ว่าลูกคนละแม่ดีนี้ ลักขานมีแผเบาวย้อนแม่เก่าเดบมาเจ้าปาราฟังแล้วบอกกาดแก้อสังกาพิจารณาสั้นพอยังสองน้อยนอตั้งวันส่วนเจ้าหอจันนันเล่ามีลูกเต่าเป็นยิ่งงามแปงปิ้งอ่อนน้อยจื้อนั้งยอดซอยนันตาอายุกภาษานันเล่า โอ้สองเจ้ากุมมานบ่อเือนนานแต่ใสก็อยู่ใกล้เกยกันเอวภายพันเล่นเล่นฮุกบิงเต้นไปมากับนางนันตาน่อเนาหลูกเต้าเจ้าออดใจยังมีด้วันหนึ่งใส่เจ้าน่อไทยจุลนีก่อไขวาตีบอกเล่าฮือนางน่อเนานันตา เอาโลกข้างมาพัดเล่นยว่าอย่าเว้นเสียไก่จุงเร็วไว้อย่าจ่าเอามาต่อนาบัเดเนียวนางตาเขียวอ่อนน้อยบ่อนี่ตามทอยวาตีตาจุลานีขวดไม่เอาแป้นมือใส่สับปันนางจอมขวัญร้องไห้ดังกองควายหอใจจุงนางในมวนหมูลเล่นมาสู่นาลำ แล้วใครกำทำเลาว่าไพตีเจ้าสายตานังบ่าจากเกาขี้เฮอแจ้งทีตามีเดียวเจ้าปุรีตนปอจากไกลใจนอนีไก ย, ยอนมีใจจ้องห้อยอยังใจอ่อนน้อยจุลนีแสงไขาวาตีเกาขี้ว่าบ่แม่นตีตาหมีว่าไพบ่ตีแต่ใส <c oughs> คาเล่นร้องให้ได้ได้บ่เมือนอไลยปลายนาตนเจ้าฟ้าผู้พี่หันจุลนีีน่อเนาตีหัวลูกเจ้านันตากอพปิจารณาสั้นพอว่าเด็กน้อยนอแดนไกเป็นสันไดนีไซมานะใหญ่เหลือตัวบ่ใจลูก่อกหัวแต่เล่าเตียงเป็นลูกเจ้าปารา เจาปิจารณนาซันพอดยังเจ้าน้อยหนอตั้งวันยามนางกำรนั้นก่อมใจนำของน้อยใหญ่ไปปันหื่อนางจอมควันกินกู้แจกแก่หมู่สาหายเด็กหญิงใจมากเต้าต่างคุกเข่ามาเอาสวนใจคิงเหล้าอ่อนน้อยคือเจ้ายอดซอยจุลณี บ่เยียดีเหมือนหมูเตียวเข้าสู่ได้ได้กันใจใหมายไครได้ก่อนยุบไปบัเดเทียวแล้วก่อเรียวใหญ่าบาดบ่ออภิวัดวันตาอยู่ทัดมาบ่าห่างลูกมาคางเตรียมใจก่อตกไปกิ่งแหล่นไปไตแต่นจองนอนแห่งเต้าผูท้ทอนที่ราชเจ้าภาษาเจียงคาน ก็อบอกการคุกเขาแล้วก่อยเข้าไปเอาตนคิงเล่าน้อยหนาดเอาไม่ฝาดพดมาเจ้าปาระหันแล้วก็ากาดแก้วสงสัยว่าเด็กเดนไก่หนี่ไสเป็นลูกเต้าไทยเึือหัวกันป่อหัวผู้ใหญ่พดมาไก่กองตา แสงถอดดาบมาต่อหน้าดังจักขาแต่งฟันว่ามึงจุงไขรปันก่าวอือกูตาหมีว่าเด็กจูลนีหน่าเาเป็นลูกเต่าคนใดมันก็ใครขับไปบอกเต่าไทายตาหมีเจ้าปุรีฟังแล้ว ใช่ย่องแผ้วสมมานาจาจริงยกนางนันตาลูกเต้าือแก่เจ้าจุลนีก็มีฮันและนะชาลากาเตวีตีนี้จากวันนานาจะรอถึงเมืองยอดอุตรปัญจาละราชทานีส่วนนางชาลากะเตวียดใหญ่ หูว่าไฟไหมรงคัวก่อห้ว่าลูกตัวหนุ่มเท่าตั้งปอคัวเก่าเตรียมใจได้นี่ไกจากบอนไปลี่ซ่อน ไ, อนไกตา <c oughs> ถึองวันมาผูกเจ้าก่อหือขนหนุ่มเท่าดวงลายไปคงควายซอซอกเอาดุกแปะออกนำมานั่งภ้าหยาเบาใา เอาวางต่อนาชับปีพรมว่าคนตั้งสามหนุ่มเท่าคือป่อขวัวเก่าเดิวมวากับบุตรตาลวกลาตังลูกคาจุนนีดับอินทีเสียงขวายย้อนไฟไม่วันว่าจริงเอาดูกมาบ่อจ้าหื้หันต่อนาเรียวปั้นชับปีพรมหันแจ้งทีบอกมีตีสงสยัย ลวดมีใจจุมจื่นปีติตื่นเดือนลายว่ากรรมคานิ่งมายเกิดไววสมมักไฟกิตนานางปริปาจิกาผู้เทาก็ทาเต้าเจ้าจุลนีีว่าคุณแม่มีมากว้างดังเกาอ้างไขรมาสันได้จ้าเต่าไทย จะคือผีเสื้อใหญ่เอากินหรือเต้าภูมินเกิดไข่หันแม่มีตดใหญ่สังจาขอไข่จาเก่าหืไดไ้หูตามีเต้าจุลนีเก่าแก่ว่าตัวเจ้าแม่ภาญ้าหากจาระราแก่เท่าบอกเกิดเล่าสังขารราดับสังวานสายซอยดังสาวน้อยกันยา ยามเสนาหนุ่มเท่ามาอยู่เฝ้าหอวในแสงกะไก่เตียวต้องหือเสียงยองต่ำกันมีเสียงนั้นคิงคองสนั้นห้องกวรหูลางเตือเรียกนายผ้าตัวนายมามาพร้อมดาจอมกันไขหัวนั้นสาเศว้าพิษรีเต้าโบราณลางเตือแต้มสานสงขาา ไปถึงตาโอหอใจอยู่แดนไก่ต่างนาใสชื่อข้าเป็นไมายว่าขอถ้าไวาแม่เจ้าไปเป็นเก้าเตวีเจ้าปุรีน้อยใหญ่บ่้ไขวขี่ยาตอบสารมาบอจ่าถึงตัวข้าหลายหุนตั้งรีปนไั่ไตหูเสียงไขยิงใจขายินละอายลายหลาก บอ่อจ้างปากดีดีแม่นบอดีเป็นบาปก่อจักือผีเสื้อกาบคบกินแรนานที่นันนางปาริปาจิกาผู้เทาก็ทำเต้าเจ้าทัดไปว่านางเตรียมใจอัการาดคือนางนาฏนันตา มีลักขณาผาเสดงามลาเเลิดเอาใจกว่านางไหนหลายหลากหมื่นหกพันดังหากเป็นไมยน้ำพันพายใหญ่บาดดวง์อาจสมศรีไขว่ตีอ่อนอ้อยฟังจี่นจ้อยวนใหญ่บอดีไก่เต้าเจ้าย่อมอยู่เฝ้าแปงปัน ทุกคืนวันอยู่ไกลดังเงาเต่าไทยดีๆผันยาดีจบจอดหูไขรอดโจพผ ก, กาศนั่งตรงคานนั่นโสดยังมีโตตั้งจ้าตาบ่อปีญ่าไฟเอือจะคือผีเสื้อเอากินเต่าผูมินจุลนีราดก่อโอกาสไข่จ้า ว่านางดันตานันใสโลผะใหญ่เรือผามานอลังการหลายสิ่งของกัหยิงหลายอันคอตั้งวันจะาใจเก็บเบียดไวนานำย <c oughs> ามขาดนำยกยืนแก่คนอื่นดนังไในก่อตัวไปคำราบคมข้านาบเอามานาังกันยาหน่อยใหญ่ร่อนเดือดไม่เครื่องขี้ โตอนางมีหลายหลากดังข้าหาไขามาจรจักวางลาปงป่อยฮื้อพีเสื้อถอยเอากินแลนะที่นันนางปริปจิกาจรจักจะาทำเล่ า, าว่าน้องเต้าเจ้าปุรีจือติขณนะมันตีรวมใสมีกุญใหญ่ห น, นำ ตั้งเงินคำลายลาของอื่นมากทมนาสังรอมมาทวนนาตั้งโมคานิงใจจนนบทลายไก่ไก่รบภาพใดนนำมาจากอาณาต่างเตตเข้าสู่เขตปุรีพันยาดีองค์อาจจบชาลาดธนูใจ ย, ย่อมมิใจอาจกาาำต่อตาศัตถู นำตนบุญจูหยอดยาวมาเป็นเต้าผ้าปารานางปริปาจิกาผู้เท่าใครบอกเล่าตามีว่าเมื่อติขะมันตีผู้น้องอยู่ในต้องบานดานางโสภาผู้แม่บอกขึ้นแพด ย, ยาวไกลย้อนมีใจไป่หอยยังใจหนุ่มน้อยคิงราม คือชับปีพรำนุ่มนาหลวดข้าป่อเจ้าวอมวายแล้วก็ถวายยศใหญ่แก่พรำผู้บับใาบป่าลาอเป็นนพญาแตนป้อสืบสร้างก่อเวียงใจบ่อนอันเตาใดแต่เล่าแม่ก็พาสู่เจ้าติ้ามันตรีลักกานาดีอง์อาจวันณวีลาตเปลง พร้อมเล่งแยงลืมเล่าก็อว่าเป็นลูกเต่าในตนมีกังวลอ่วงหอยบ่อละปล่อยวางลากันมีไว้หนาขึ้นใหญ่กาละไข่เตืองตันมันก็ปั่นดาบกาแก่เจ้าฟ้าติงคณามันทีเป็นดาบดีเทียนใหญ่หืออยู่ไกลเห็นกัน ยังมีวันหนึ่งเล่าอาบาดเก้าเดิมมาก็ไขจากเก่าหื้อได้หูตามไรว่าป่อเจ้าตายผักนาพรามเป็นป่อหน้าดีลีติขานามันตีอ่อนน้อยยินตำก้อยมองใจแสงเข้าไปตีไกทอดดับไวบ้บตดเดียวแล้วรีบเรียวฟันฝาตัดคอพรามขาดสับปัน นางกำนันหนุ่มเท่าอาบาดเก่าเศรษฐีกะบอดีปอ ก, ก้าพร้อมทวนดาหยิ่งใจเขาตั้งไหลจูผู้ต่างจืนสู้นำนาจากอุตสาพิเศษอติเรกมงคลยกยังตนดองเต้าขึ้นภาพดาวปุรีนางเตวีผู้แม่ก่อเก่าแก่ไขปัน ว่าลูกจอมควันผู้เก่าคือปีเจ้ายัางมีอยู่ปุรีแห่งห้องคงเขตต้องสากาละนะกรแ <c oughs> ห่งต้าผู้ทนบตรดาราเจ้าภาสาตดใสสีเจ้าติคานามันตีหูแลก่อนยกผัวกแก้วโยธา ไปนำมารีภาวเฮือเป็นเต้าเสวยเมืองยาสะเรืองแพ่กว้างไัยบ่าออ้างเตรียมตั้นน้องจอมขันเจ้าจ้างคุณมากว้างนำนาสันใดจ่าเต้าไทยจะคือผีเสื้อใหญ่เอากินเต้าผู้บินจุนลนีราดก็โอกาสไขจ่จาว่าน้องข้านี่นาอวดอ้าง <c oughs> ว่าค้าได้เป็นเจ้าจ้างหอจันย่อนตัวมันแต่ใสยกยืนใสปันไมยเงินข้ามลายบากเต้ากอว่าเป็นของเก่าเดิมมัน มันไข่ปั่นเกาทอยเป็นคำทอยดูแควนขาเจ็บแกนนักแก่แกจริงจักแผลตกปั่นยกตัวมันนั่นใส่ฮื้อผีเสื้อใหญ่เอากินและนะเนตที่ตังขีนยาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุมะโหสดผูกสาวหกปังผ่านยาตกตดใจ ยังน้องรวมใสติขานามันตีคนอื่นยังมีติดต่อลายบาดคอปัญหาอั น, นางปริปาจิกาผู้เทานำมาถามเต้าเจ้าหอใจก่อยฟังไปเตือมแทงจักหูแจงไปลูนุ่นก่อบังกมสมฤตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลลว